หนึ 190. อาสทายะฉักกะว่าด้วยการ剁กระถินด้วยการถือจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไป6กรณี313ภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวร น, นี้ที่นอกสีมานี้แหละจะไม่กลับ ให้ทําจีวรผืนนั้นการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทําจีวรผืนนั้นจะไม่กลับการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจ พิษุกรานกรถินแล้วถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรผืนนี้ที่นอกสีมานี้แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรที่เธอให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอ ก, กรถิ่นของภิษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหาย ภิกษุกรานกระถินแล้วถือจีวรที่ทาค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวรผืนนั้นทาจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกระถินดาะเสียแล้วการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกรานกระถินแล้ว ถือจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทําจีวรผืนนั้นทําจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วล่วงคราวกรถิน่นดาะนอกสีมาการดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไป คิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวรเผืนนั้นทาจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วกลับมาทันกระถินดอกการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่าดอกพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายอาทายะฉักกะที่สามจบ